กาน้ําชาครั้งหนึ่งในห้องครัวที่ดูหรูหราและสง่างามมีบรัชกาน้ําชาตั้งอยู่มันมีราคาแพงและเป็นงานประณีตบรัสถูกทำขึ้นเพื่อให้ตั้งอยู่บนที่รองนุ่มๆและเธอมักจะรายร้องไปด้วยถ้วยที่ส่องแสงระยิบระยับมีเพียงแค่คนรับใช้ชั้นสูงเท่านั้นที่จะได้จับบรัสด้วยถุงมือเท่านั้นบรัสเป็นกาน้าชาที่สวยงาม เธอมีด้ามยาวและมีพุยที่โค้งว้าวอย่างงดงามเธอทำมาจากดินราคาแพงและตกแต่งด้วยมือเธอมีระดับและงดงามช้อนกระทะกลองเก็บเชื้อเพลิงเก่านาฬิกาอันใหญ่ล้วแต่ถูกตราตึงด้วยความงามของเธอแต่ไม่มีใครชมเธอพวกเขาไม่เคยชื่นชมสิ่งที่เธอทำ พวกเขาอิจฉาเธออย่างลับๆความงามของเธอทําให้พวกเขากลัวพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะไม่มีวันไร้ที่ติเหมือนเธอแต่รัสเห็นข้อบกพร่องในตัวเองเธอมีรอยขีดข่วนเล็กๆบนฝาของเธอมันเล็กมากจนเจ้าของของเธอไม่เคยสังเกตเห็นเลยแม้แต่น้อยแต่นั่นก็ไม่เคยหยุดความรู้สึกไม่สมบูรณ์แบบของรัส ในขณะที่เจ้าของของเธอคิดว่าเธอเป็นการน้ำชาที่สวยที่สุดแต่สำหรับรัสเธอเป็นการน้ำชาที่มีรอยขีดควนโอ้โอ้โอฉันขอลายเซ็นของเธอหน่อยได้ไหมขอแค่เพียงหยดเดียวบนพื้นผิวที่ระยิบระยับของฉันฉันจะไม่หยดอะไรใส่เธอทั้งนั้นแต่เธอเป็นใครเออฉันคือแก้วใส่นมแน่นอนว่าถ้วยอันเก่าแตก ฉันเลยถูกทําขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับเธอฉันได้ยินผู้หญิงที่ห้องเก็บของคุยกันว่าเธอไม่อยากแยกชุดออกเธอเลยจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ฉันเข้าชุดกับเธอโออดีจังเลยเธอชอบที่นี่ไหมฉันชอบตั้งแต่ได้ยินผู้หญิงคุยกันฉันอยากเจอเธอมากเลยและเออฉันก็มาอยู่ที่นี่แล้ว โอโ้เธอสวยมากเลยเธอสวยมากขอบคุณแล้วเธอเป็นยังไงบ้างฉันไม่ใช่กา n ามที่สวยเชื่อฉันสิฉันคือกานามที่มีรอยฉันไม่สมควรได้รับคำชมรอยงั้นเหรอใช่บนฝาปิดของฉันฉันไม่สมควรถูกเรียกว่าความสมบูรณ์แบบและไร้ที่ติเพราะว่าฉันไม่ใช่แบบนั้น เธอพูดอะไรของเธอเธอน่ะสมบูรณ์แบบมากกว่าที่เธอจะได้รับซะอีกเธอไม่เข้าใจหรอกทุกคนในครัวรู้เกี่ยวกับความไร้ที่ติของฉันและทุกคนก็พูดถึงมันลองฟังสิแล้วถ้าเธอหล่นมาจากมือเจ้าของล่ะโอ้แน่นอนเธอต้องหล่นฉันไม่เข้าใจว่าเธอภูมิใจอะไรนักหนาะรอยขีดข่วนบนฝาปิดของเธอ แ น, นน่ะสิละฉันเชื่อว่ารอยนั้นมันจากความเย่อหยิ่งของตัวเธอเองฉันได้ยินว่าเธอชูคอของเธอสูงมากจนชนกับขอบไฟระยะอะไรนะเป็นไปได้ยังไงคอระยะอยู่ด้านบนสูงมากไม่ไม่ฉันรู้เรื่องของเธอเธอกระโดดเพื่อที่จะไปที่ใดสักที่หนึ่งแล้วฝาปิดก็กระทบไปมาทุกคนบอกให้เธอกระโดดช้าลงหน่อย แต่เธอก็ไม่ฟังแลวแล้วก็มีรอยคือฉันหมายถึงเธอน่าจะสวยแล้วดูเธอตอนนี้สิเห็นไหมเธอดียินแล้วใช่ไหมเออใช่ฉันได้ยินว่าพวกเขาพูดไม่มีเหตุผลเลยเอาจริงๆเหรอเธอชนกับคมระยะแล้วเธอก็กระโดดแล้วทำให้เกิดรอยเนี่ยนะพวกเขาคิดว่าร้อเล่นกับใครฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนั้นหรอกนะา แต่เธอได้รอยนั้นมาได้ยังไงฉันจําไม่ได้เธอจําไม่ได้เพราะว่ามันไม่สำคัญใช่ไหมล่ะแต่เธอไม่ได้ยินที่พวกเขาพูดเหรอฉันสมควรที่จะสวยและสมบูรณ์แบบนั่นคือหน้าที่ของฉันเธอไม่สมควรที่จะสวยและสมบูรณ์แบบนั่นไม่ใช่หน้าที่ของเธอนั่นคือคำพูดที่ลุ่มหลงทั้งหมดนี่ฟังนะ ใครบางคนจะรักเธอและบางคนจะเกลียดเธอเธอตัดสินใจว่าจะใช้พลังกับอะไรจะรักหรือว่าเกลียดเธอไม่สามารถกังวลกับทุกสิ่งที่ทุกคนคิดเกี่ยวกับตัวเธอได้เธอควรจะห่วงว่าเธอคิดยังไงกับตัวเธอเองท้ายที่สุดนั่นคือสิ่งที่สำคัญทันใดนั้นบรัชก็ถูกหยิบขึ้นมาโดยสาวใช้ด้วยถุงมือสีขาวเธอเปิดฝาแล้วเทน้าร้อนเข้าไป รัตชอบการโดนเติมน้ำร้อนมันทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นจากภายในแต่ว่าทุกครั้งเธอก็กลัวว่ารอยขีดข่วนของเธอมันจะชัดขึ้นจนทำให้ทุกคนมองเห็นในขณะที่บรัตกำลังยุ่งอยู่กับการระมัดระวังที่ไม่มีเหตุผลบางอย่างที่น่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้นเจ้าของของเธอเข้ามาและหยิบเธอขึ้นมาเขาไม่มั่นคงพอทาให้รัตหลุดออกจากมือเขา ช้อนและแก้วใส่นกมองดูเหตุการณ์ที่เลวร้ายการน้ำได้หล่นลงแล้วหลังจากนั้นฝาของเธอก็แตกด้ามยาวและพวยกาที่สวยงามตกอยู่บนพื้นข้างๆเธอการน้ำชาที่สวยงามถูกเก็บขึ้นและเอาไปไว้ที่อื่น โอ้ฉันรู้ว่าวันนี้จะต้องมาถึงเรื่องจริงเธอน่าจะจัดการกับตัวเธอให้ดีกว่านี้ฉันมั่นใจว่าต้องเป็นร้อยกวนนั้นที่ทําให้เธอไม่สามารถทรงตัวได้นี่คือเรื่องจริงเหรอฉันหล่นลงเพราะความไร้ที่ติของฉันบรัดเธอไม่เข้าใจว่าไม่มีอะไรที่เธอสามารถหยุดการหล่นลงมาในครั้งนี้ของเธอได้เธอถูกเก็บในห้องใต้หลังคาเป็นวัน เธอไม่รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นอย่างไรบรัสร้องไห้และร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนโอ้ฉันเกลียดที่นี่ฉันคิดถึงครัวถุงมือนุ่มสีขาวน้ำร้อนแสงแดดเบาฉันคิดถึงทุกอย่างอ๋อมันแปลกมากตอนฉันอยู่ที่นั่นฉันกังวลว่าคนอื่นจะคิดยางไรเกี่ยวกับฉัน ฉันจำไม่ได้ว่าฉันเพลิดเลินไปกับแสงเดดฉันจําได้ว่าฉันกังวลเกี่ยวกับรอยขีดขวด่วนบนฝาของฉันจะถูกมองเห็นภายใต้แสงฉันเสียเวลามากไปกับรอยขีดข่วนเล็กๆแค่นั้นหลายวันต่อมาคนรับใช้เข้ามากับดอกกุหลาบในมือเธอวางดอกกุหลาบไว้ข้างรัตดอกกุหลาบไม่ได้ถูกปลูกบนกระถางแต่ว่าถูกปลูกในถุงผ้าสีขาว ทำไมทธอมาอยู่ที่นี่เธอหล่นลงกับพื้นเหมือนกันเหรอหล่นลงเหรอหล่นลงที่ไหนฉันจะมาอยู่ที่นี่ไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาจะปลูกฉันอีกครั้งไม่พวกเขาจะไม่ทําดูตําหนิงของเธอสิเหมือนกับฉันดูที่หนามของเธอสิน้ําเหรอนั่นไม่ใช่ตําหนิงของฉันมันคือส่วนหนึ่งของฉันฉันรักตัวฉันและหนามของฉันนะแต่ เป็นไปได้ยังไงอะเธอรักตำหนิของเธอไม่ได้ฉันจะบอกเธออีกครั้งว่านามไม่ใช่ตำหนิของฉันนามพวกนี้ทำให้ฉันเป็นฉันคนอื่นอาจจะรักหรือเกลียดแต่ฉันรักตัวเองนั่นคือสิ่งสำคัญทันใดนั้นเจ้าของก็เดินเข้ามาที่ห้องใต้หลังคาเพื่อเข้ามาเยี่ยมการน้าชาล้าค่าของเขาโอ้ฉันยังรู้สึกแย่กับเธอฉันไม่อยากจะทิ้งเธอฉันควรทาอย่างไรกับเธอ ในขณะที่เจ้าของนั่งลงและคิดว่าจะทำอย่างไรกับบรัสบรัสได้คิดกับตัวเองว่าเออเขายังรักฉันแม้ว่าตอนนี้ฉันเป็นแค่กระปุกทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเขาไม่เคยสนใจเรื่องรอยขีดขวนแก้วใส่นมพูดถูกคนบางคนอาจจะรักหรือเกลียดฉันมันขึ้นอยู่กับฉันว่าใครจะเป็นคนที่ฉันใช้เวลาไปด้วย ตลอดเวลาฉันเลือกคนที่เกลียดฉันแต่ต่อจากนี้ไปฉันจะเลือกแค่คนที่รักฉันเท่านั้นรัตได้เห็นแสงสว่างและรู้สึกเป็นอิสระเธอคิดได้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องห่วงในสิ่งที่เธอไม่สามารถควบคุมได้ธงเงียบและมองเจ้าของของเธอดูเขาสิเขาเศร้าเพราะฉันถ้าเขาไม่ยอมแพ้ในตัวฉัน ฉันก็ไม่ควรยอมแพ้ในตัวเองดูสิว่าจะช่วยเขาอย่างไงบรัตคิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วเธอก็นึกขึ้นได้ดอกกุหลาบใช่เลยเขาสามารถปลูกดอกกุหลาบในตัวฉันได้รัตได้ขยับไปใกล้ๆดอกกุหลาบเธอขยับไปโดยที่แน่ใจ เพราเจ้าของมองไม่เห็นเพราะว่ามนุษย์จะรู้ไม่ได้ว่ากาน้าําชามีชีวิตเธอขยับเข้าไปใกล้ดอกกุหลาบมากขึ้นและหันไปข้างหน้าแบบเงียบเงียบหวังวันนี้จะได้ผลนะสิ่งนี้น่าจะไบให้เขาคิดออกเมื่อเจ้าของกลับมาที่โต๊ะเขาสับสนที่เห็นกาน้ําชาอยู่ใกล้กับดอกกุหลาบโอ้เดี๋ยวก่อนนะ กาด้ำชาอยู่ใกล้ดอกกุหลาบมาตลอดเลยละออ๋ไม่สำคัญหรอกฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงโอ้เดี๋ยวก่อนดอกกุหลาบฉันสามารถปลูกดอกกุหลาบในตัวเธอได้โอ้ความคิดดีมากฉันเป็นอัจริยะเออใช่แล้วคุณมีความคิดเขาวิ่งออกไปมือถือรัดข้างหนึ่งและดอกกุหลาบอีกข้างหนึ่ง โดยไม่เสียเวลาเขาได้เอาโคลนจากสวนมาอย่างรวดเร็วและใส่กาน้ําชาของเขาเขาเติมน้ำเล็กน้อยแล้วปลูกดอกกุหลาบอย่างระมัดระวังมันดูงดงามดอกกุหลาบสวยในการน้ําชาที่แสนสวยรัตเป็นกาน้ําชาที่มีความสุขที่สุดที่เคยมีมาเธอไม่สนใจว่าเธอจะหักหรือว่ามีรอยคลุกคละเล็กน้อยรอบขอบของเธอเธอรักตัวเองแบบนั้น เธอสนุกกับสายลมและแสงแดดที่สดชื่นทุกวันในที่สุดหลังจากยอมรับตัวเองเธอสมบูรณ์แบบเธอก็ตระหนักว่าเธอไม่มีข้อบกพร่องจริงๆเธอไม่ใช่กาน้ำชาที่หักหรือว่ากาน้ำชาที่มีรอยขีดข่วนอีกต่อไปเธอคือรัส